Mm hmm.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 เพอเราตระหนักว่าสุขหรือทุกเนี่ยมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีทรัพย์สินเงินทองแค่ไหนหรือว่ามีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเรามีโชคลาภศาสนาอันนั้นไม่ใช่นะเพราะเราเชื่อว่าสุขก็อยู่ที่ใจทุกก็อยู่ที่ใจอย่างอื่นนั้เป็นส่วนประกรอบอยู่ที่ใจหมายความว่ายัางไงนะ ส่วนหนึ่งก็หมายถึงการที่เราได้ลดละความอยากได้ลดละความโกรธลดละซึ่งความอยากมีอย่างเป็นอย่างที่เราได้สาธยายเมื่อกี้นี่ว่าสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือกามาตัณหาความอยากได้วัตถุสิ่งเสพเพราะว่าตัณหาความอยากมีอยากเป็น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 ก็เพราะว่าเรารู้แค่ในระดับสมองนะแต่ว่าใจมันยังไม่คล้อยตามที่จริงอย่าว่าแต่เรื่องของการลดละความโรคความโกรธความหลงเลยเพียงแค่การมีมุมมองที่เ อ, อื้อเกื้อกูลนะหลายคนก็ทำไม่ได้หลายคน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 ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความว่าสิ่งที่นักเรียนภาคภูมิใจปรกากนักเรียนคนนี้เขียนไม่ออกเลยเพราะว่าไม่มีอะไรดีสักอย่างมีความรู้สึกแบบนั้นกระดาษเปล่าครูก็เลยเอากระดาษเปล่านัมาให้แม่เพราะว่ามันผิดปกตินะพอแม่เห็น กระดาษเปล่าแม่ก็ร้องไห้เลยเพราะรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรคือแม่เห็นแต่ด้านลบของลูกแล้วแม่ก็ไม่มีความสุขแล้วลูกก็พอไม่มีความสุขด้วยแม่ก็มาปรึกษาว่าทำยังไงดีก็แนะนำว่าให้มองลูกใ น, นแง่บวกบ้างเวลาลูกกลับมาโรงเรียนก็ถามว่าลูกได้ทำอะไรดีบ้าง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 20-30 โลกนี่มันอยู่ยากเหลือเกินไม่รู้จะทําทยังไงดีนัมตมาก็ตอบไปว่าก็อย่าไปมองแต่ข่าวร้ายเฉยนะข่าวดีมันก็มีเรื่องดีๆมันก็มีอยู่รอบตัวเราสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็มีทั้งสิ่งที่ชวนให้ชื่นชมแล้วก็อยากจะรักษาเอาไว้ให้มันดียิ่งขึ้น ก็ไม่ต้องดูอินไก่ก็หันมาหันมามองสิ่งดีๆที่อยู่กับอยู่ในบ้านเราสามีหรือว่าลูกเพื่อนไม่ต้องไปมองไกลถึงเรื่องข่าวสารบ้านเมืองที่มันอยู่ไกลตัวแล้วเราก็จะพบว่ามันมีสิ่งดีๆที่จะให้เรายิ้มได้เราได้อ่านเ้าก็ตอบมาว่าเออจริงนะ เขได้อ่านคําตอบแล้วเขารู้สึกเขายิ้มได้เลยเผลอไปมองแต่ด้านลบนะที่มันอยู่ใกลตัวไอ้สิ่งดีๆที่มันอยู่ใกล้ตัวมองไม่เห็นอันนี้เป็นเรื่องมุมมองนะคนจน น, น้อยเนี่ยมองแต่ด้านลบเห็นแต่ด้านลบพวกเราหลายคนก็คงรู้จักนะประผ้าชนสรานนนแกอยู่เบื้องหลัง WorkPo พอยบริษัท WorkPo พอยตนะที่ทํารายการเกมโชว์ต่างๆมากมาย จะเล่าว่าอันนี้ก็หลายปีมาแล้วนะว่าวันหนึ่งกไ็ได้รับเชิญให้ไปช่วยสอบสัมภาษณ์ผู้หญิงสองคนนะอายุก็ยังไม่มากสัมภาษณ์คนละวันภาคเอกก็ถามคนแรกว่าช่วยเล่าหน่อยที่ทํางานเก่าเป็นอย่างไรแล้วทําไมอยากอยากเปลี่ยนงานใหม่อยากเปลี่ยนที่ทํางานเพียงก็จะบอกคนนั้นก็บอกว่าเนี่ย ที่ทำงานก็ไม่ดีเลยพนักงานเอาแต่เล่นการเมืองข้ามหัวกันประจบเจ้านายนะไม่มีความสามัคคีเลยขาดความที่สร้างสรรค์ไม่มีความเอื้ออาทรแถมยังแทงข้างหลังด้วยคุณก็พากแกฟังแล้วแกก็หน้ามุ่ยเลยนะสองสามวนต่อมาก็สัมภาษณ์อีกคนหนึ่งไว้ใกล้ๆกัน ถามว่าที่ทํางานเก่าเป็นอย่างไรบอกที่ทํางานเก่าดีมากเลยพนักงานมีความสามัคคีกันนะเอื้อเฟื้อกันเจ้านายนี่ก็เป็นกันเองกับลูกน้องถือว่าเหมือนกับลูกเหมือนหลานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูนกันสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่าทั้งสองคนเนี่ยมาจากที่ทํางานเดียวกันที่เราฟังนวลมาจากที่ทํางานคนละที่นะ อันนึงมาจากนรกอันนึงมาจากสวรรค์ใชจริงไม่ใช่หมายที่ทํา ง, งานเดียวกันแล้วทําไมทั้งสองคนจึงมองเห็นภาพต่างกันมันเป็นเพราะว่ามุมมองหรือเปล่าความจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่เราก็เห็นได้เลยว่าไอ้มุมมองที่ต่างก็กทําให้เห็นภาพที่ต่างกันระหว่างสองคน เขาก็ถามคนที่สองว่าทำไมอยากเปลี่ยนงานล่ะในเมื่อที่ทํางานเก่าดีอย่างนี้เขาบอกว่าที่ทำงานเก่ากําลังเปลี่ยนลักษณะงานเขาไม่ถนัดก็เลยอยากจะมาทํางานกับเวิร์กพอยท์นี่ก็เป็นตัวอย่างนะว่าความจริงเป็นอย่างไรไม่รู้นะแต่ถ้ามุมมองมันต่างกันนะค น, นคนหนึ่งมองลบอีกคนนึงมองบวกมันก็ให้ภาพแบบนี้แหละแล้วเราจะเชื่อใครดีจากสิ่งที่เรารู้แน่ๆคือว่า คนแรกเนี่ยคงทำงานไม่มีความสุขอะคนที่สองต่างหากที่ทำงานแล้วมีความสุขที่ทำงานจะไม่ดีก็ได้นะแต่ว่าเขามองเห็นแต่ด้านดีเขาก็เลยมีความสุขเป็แต่ว่าไม่ถนายกับงานใหม่ให้มุมมองนี้ก็สำคัญมากเลยนะที่จะส่งผลต่อความสุขหรือความทุกข์ของคนมองแต่แง่ลบนะ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 เขียนมาเล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงชาวไต้หวันนะแกมีปัญหาพิการที่สมองนะแกะพูดไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้หมายถึงการเดินนะแต่แกพอเขียนได้้ที่น่าสนใจคือแกจบปริญญาเอกจากไหนนะจากหมาาหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย UCLA นะ UCLA, UCLA นี่มันระดับโลกเลยนะ คนสมองพิการนะทำไมถึงเรียนจบเป็นินยาเอกก็มีคาหนึงแกได้รับเชิญให้ไปไปพูดให้กับ น, นักเรียนแกพูดไม่ได้นะแกต้องเขียนเอาก็มีคนนึงนักเรียนคนนึงนะลุกขึ้นยืยนแล้วก็ถามว่าคุณมองตัวคุณเองยังไงเป็นคำถามที่ตรงมากเลยคนในห้องประชุมก็อึ้งเลยนะเพราะว่าคถามแบบนี้นมันมันตรงเกินไป มาถามคนพี่กาเนี่ยคุณมองตัวเองยังไงเจ้าก็ตอบดีนะคือเขียนใส่กระดานเขาบอกว่าฉันเป็นคนน่ารักฉันมีขาที่เรียวสวยพ่อแม่รักฉันพระเจ้าก็รักฉันแกเป็นคริสฉันสามารถจะเขียนหนังสือแล้วก็วาดภาพได้และฉันมีแมวที่น่ารักแล้วข้อที่7เนี่ยแกบอกว่า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 แล้วก็ใช้สิ่งที่แกมีอย่างเต็มที่จนกระทั่งสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกได้ศิลปศาสตร์ดุษริบัณฑิตแล้วก็สามารถจะวาดภาพเป็นนิทรศการสวยงามได้อันนี้ก็ตรงกับที่มีคนไทยคนหนึ่งเขาเราว่าเขาได้ขี่จักรยานรอบโลกแล้วมีช่วงหนึ่งเขาก็ไปขี่ไปเถาเทือกเขาหิมาลัย แล้วเขาแปลกใจมากว่ามีคนพิการคนแขนขาดคนเป็นมะเร็งที่จะกระยาเกันพวกนี้มีความใฝ่ฝันซึ่งคนธรรมดาที่บางทีทำไม่ได้เขาก็ไปสัมภาษณ์นะแล้วก็พบ ว, ว่าทั้งหมดนี่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเขาเขาไม่สนใจสิ่งที่เขาขาดก็บอกว่าเนี่ย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 แต่คนพิการเหล่านี้นี่เขาสามารถจะทาสิ่งที่คนธรรมดามางที่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าเขาสนใจสิ่งที่เขามีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมุมมองแบบที่เป็นบวกก็ได้เป็นการมองบวกน่าสนใจนะว่าหลายคนก็คิดแบบนี้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะที่จริงเป็นพี่น้องสองคนแกเป็นธาตุซีเมทั้งคู่เลยเป็นโรคเลือด หมอก็บอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน2ี่สิก็จะต้องตายเพราะเป็นอย่างแรงแต่ปรากฏว่าก็อยู่ได้ไปถึง30สิกว่าเขาจะว่าคนน้องเพิ่งตายไปสักปีสองปีเนี่ยทั้งสองคนนี่อ่อนแอมากตาโปนตัวแกรนหกล้มเมื่อไหร่ก็กระดูกเปราะแขนหักขาหักต้องใส่เฝือก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 มองนี่เหมือนกับหญิงสาวไต้หวันคนนั้นเลยคือไม่ไม่สนใจว่าสิ่งที่ด้อยมีอะไรบ้างแต่ว่าสนใจว่าสิ่งที่ฉันมีดีมีอะไรบ้างนี่คือการมองบวกนะในความหมายหนึ่งน้องสาวก็ก็พูดนะน่าสนใจเขาบอกว่าถึงแม้ว่าฉันจะต้องขาหักแขนหักใส่เฝดเป็นประจำแต่มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ไม่ต้องไปโรงเรียน ได้อยู่กับยายฟังยายอ่านหนังสือหรือว่าได้อ่านหนังสือเองได้ชื่นชมธรรมชาติคือมองว่าไอ้สิ่งที่แย่มันก็มีข้อดีอยังไงบ้างความเจ็บความป่วยมีข้อดีอยังไงบ้างนี่ก็เป็นการมองในแง่บวกอีกความหมายหนึ่งมีสองความหมายนะสองแง่แง่นี่คือการไม่จดจ่อแต่สิ่งที่แย่สิ่งที่ไม่มี แต่จดจ่อสิ่งที่ดีสิ่งที่มีอยู่เรื่องที่สองคือว่ามองว่าไอ้สิ่งที่มันแย่เนี่ยมันมีข้อดียงไงบ้า ง, งคนเราถ้าหากว่าไม่มีมุมมองแบบนี้นะหรือมีมุมมองตรงข้ามนะเป็นลบได้เท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขเช่นถ้าคอยแต่จะนึกเปรียบเทียบ ว, ว่าคนอื่นได้เท่าไหร่ฉันได้เท่าไหร่ หลายคนมีความดีใจนะเวลาได้โบนัสแต่พอรู้ว่าเพื่อนเขาได้มากกว่านี่ทุกเลยเสียใจฉันั้งที่ได้โชคได้ลาบนะแต่ทำไมเสียใจนะก็เพราะว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไปมองว่าฉันได้น้อยกว่าเขาบางทีนอกปฏิบัติทรก็เป็นนะเราจะมาเคยบรรยายบรรยายจบก็เอาหนังสือมาแจก ทีแรก็เอาหนังสือเล่มเล็กมาแจกก่อนคนได้ก็ดีใจนะโอ้ดีใจนี่ฉันได้ก่อนใครคนอื่นอาจจะไม่ได้แต่ปรากฏว่าพอเล่มเล็กหมดอัตมาก็เอาเล่มใหญ่มาแจกไอ้คนได้เล่มเล็กนี่ไม่พอใจนะขอคืนขอเล่มใหญ่นะไอ้ที่ดีใจกันไปเสียใจเลยเพราะอะไรนะวางใจผิดนะไปเปรียบเทียบคนอื่นเนาเขาได้มากกว่าฉันเขาได้เล่มใหญ่กว่าฉันยังไม่ได้ดูเลยว่า เนื้อหามเป็นยังไงเล่มเล็กอาจจะดีกว่าก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอเห็นว่าเล่มใหญ่นะฉันไม่เอาแล้วเล่มในขอคืนขอเอาเล่มใหญ่อัตมาก็ก็ต้องยอมให้นะไม่มีเวลาทิบายว่าเนี่ย ใ, ใจที่คิดแบบนี้เนี่ยนะมั น, ม, นมันทุกข์คุณจะได้โชคได้ลาบเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะทุกข์เมื่อคุณรู้ว่าคุณได้น้อยกว่าคนอื่นมีคนที่ก็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 มองแต่สิ่งที่ฉันมีเมื่อกลางวันก็เล่าให้โยมที่มามาเข้าคอร์สฟังแล้วว่าเมื่อประมาณปี53ก็มีเหตุการณ์ไม่สงบในกรุงเทพก็มีการเผาศูนย์การค้าก็มีห้างุ ก, กี้ชื่อดังโดนลูกลงไปถูกเผาไป4สาขาหมดไปหลายสิบล้าน ผู้จัดการก็มาโอดครวนกับ CEO แต่ CEO นี่กับปลอบใจนะบอกว่าร้านเราถูกเผาสีสาขานะแต่เรามีต้อง320เขาไม่ได้พูดนะว่าจะทุกข์ไปทำไมนะแต่ว่าในยากก็บอกอยู่แล้วว่าจะทุกข์ไปทำไมในสิ่งที่เสียไปมันน้อยกว่าสิ่งที่เรายังมีอยู่เยอะเขาเป็นเจ้าของนะครอบครัวเาเป็นเป็นเจ้าของสุ ก, กี้ชื่อดังแต่เขาก็ไม่ทุกข์นะเพราะว่า เขาไม่มาสนใจสิ่งที่เขาเสียไปก็สนใจเอาสิ่งที่เขามีอยู่วันแค่ไหนแล้วมันก็เยอะกว่าสิ่งที่เสียไปหลายเท่าตัวเปรียบเทียบกันไม่ได้การมองแบบนี้เนี่ยเราทางพุทศาสน า, า, าเรียกว่าโยนิโสมนสิการอย่างหนึ่งยโยนิโสมนสิกการแปลว่าการทําในใจหรือการมองแบบแยกคายการมองที่เรากุศลก็เป็นโยนิโสมนสิกการแบบหนึ่งมีหลายแบบ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 พอมาทุบตีก็ดีกว่าข้าเอาก้อนหินมาคว้างแล้วถ้าเอาก้อนหินมาคว้างท่านจะว่ายอย่างไรพระพุทธนาค์ก็ตอบว่าข้อก้อนหินมาคว้างก็ดีกว่าข้าไม้มาฟาดแล้วถ้าข้าไม้มาฟาดท่านท่านจะว่าอย่างไรเอาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเอาของแหลมมาแทงแล้วถ้าเอาของแหลมมาแทงละ่ะท่านจะคิดอย่างไรพระพุทธนาค์ก็ตอบว่าเอาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายคือท่านมองอะไรนี่เป็นดีหมดเลย ดีที่ไม่แยากไปกว่า น, นี้ไม่เร็วไปกว่า น, นี้อันนี้พระเจ้าก็ถานว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะว่ายอย่างไรเพราะพุทธเจ้าก็ตอบว่าคนบางคนอยากจะตายก็ต้องไปหามีดมาหรือไม่ก็ต้องไปจ้างคนมาฆ่านี่ถ้ามีคนมาฆ่าฆ่าพระองค์ก็ก็ดีเหมือนกันคือไม่เหนื่อยนะด้วยท่ามองว่าอะไรเกิดขึ้นท่านดีไปหมดเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราดีทั้งนั้นคือดีที่ไม่แยากไปก่อนนี้ นี่เป็นการมองที่ระยนยิ่สมสจิการนะซึ่งสิ่งที่คู่กันก็คือสติสติก็เป็นตัวเอื้อทำให้เกิดยิ่งโสมนสิการยิ่งโสมนสิการก็ทำให้สติกลับขึ้นมาสติแปลว่าความระลึกได้บ่อยครั้งเราทุกข์เพราะเราลืมตัวนะเราทุกข์เพราะเราไปไปคิดนึกถึงสิ่งที่ทําให้ทุกข์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 ยังไม่ถึงเวลาส่งงวเลยนะดี๋ยวไม่ถึงเวลาจ่ายนี่ก็เอามาคิดแล้วคิดแล้วก็เลยทุกนะเพราะแบ่งเนี่ยเอาไว้ก็เคยมีคนถามหลวงพ่อพยอมว่าบุนที่วัดสวนแก้วเนี่ยกู้เงินมาหลายสิบล้านนะเพื่อมาพัฒนาวัดแล้วทำโครงการเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยสลงพ่กทุกไหมหลวงพ่อเครียดไหม หนูว่าพยอมท่านยิ้มเลยบอกว่าจะเครียดทําไมไอคนที่น่าจะเครียดคือเจ้าของเงิน น, นนะว่าเราจะมีปัญญาจ่ายเขาหรือเปล่าอันนี้ท่านไม่ได้คิดจะเบีย้ยวนะแต่ว่าถ้ารู้ว่าการผ่อนหนี้การจ่ายหนี้มันเป็นเรื่องอ น, อนาคตยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงวันจ่ายท่านก็ไม่เอามาเป็นกังวลท่านก็ทํางานของท่านไป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 จะทำอย่างหลวงพ่อพยอมนั่นก็ต้องมีสติเลยสติที่จะไม่ไปแบกไม่ไปยึดเอาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องกังวลบางทีมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องอดีตอนาคตนะสิ่งที่เป็นปัจจุบันมันเกิดขึ้นก็จะทุกหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าเราไปไปยึดไปแบกบหรือไปจับมาช่วยหรือเปล่าเรามักจะโทษคนนั้นคนนี้ว่าทําให้เราทุกข์ เหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ทําให้เราทุกคนนั้นคนนี้เจ้านายลูกน้องเขาทำให้เราทุกอาจารย์แชรสาวโร น, นี่พูดดีนะเขาบอกว่าไม่มีใครบังคับให้เราทุกหรอกมีแต่มาชวนให้เราไม่พอใจมีแต่มาชวนให้เราโกรธมาชวนให้เราเป็นทุกเขามาเชิญเรามันอยู่ที่ว่าเราจะรับคําเชิญหรือเปล่านะมะถ้าเรารับคําเชิญ เราก็ทุกข์สิอย่างนี้เราโง่หรือฉลาดเขาแค่มาชวนเราให้เราไม่พอใจเขาแค่มาชวนให้เราทุกข์เขามาเชิญเราก็ไม่ได้บังคับเราถ้าเรารับคําเชิญเราก็ทุกข์การที่ไปรับพ่ออะไรเพราะว่าลืมตัวเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าไปไปจับไปช่วยมาแล้วก็ทุกข์นะแต่ก็ยังจับยังช่วยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวาง